ในหลักเนติปกรณ์เนี่ยนะซึ่งผ่านมาัคคีหาระและหนึ่งเทสนาหาระสองวิจยาหาระสามยุติหาระหาระแปลว่าอะไรนะวิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ชื่อว่าหาระ เทศน า, าระเนี่ยนะหมายถึงการสอนของพระพุทธเจ้าที่มีแก่พระผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพระองค์สอนอะไรโดยสรุปที่พระพุทธเจ้าสอนนะสอนอสาธาสอนอาทีนวะสอนนิสรณะสอนผลอุบายและอานัตเนี่ยนะวิธีการสอนมีอยู่เท่านี้จริงๆจับสูตรไหนมาก็ตามอยู่เท่านี้แหละแสดงอส า, าธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอานัตอยู่เท่านี้แหละ เพราะไรพระผู้เจ้าสอนไม่พ้นสัจจะ4อยู่แล้วอัศาธะาคือสมุทัยสัตต์อาทีนวะคือทุกขสัต์นิสรณะเป็นมรรคสัต์และนิโรสัจจะการแสดงธรรมะโดยอาาัศธะอาทีนวะนิสรณะเนี่ยนะเป็นวัยพุทธ เป็นเวว จ, จะนะอีกอย่างหนึ่งของคําว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธาไม่มีปฏิปทาอย่างเช่นใช้คําว่าอ ส, สาธาเนะีเท่ากับประกาศสมุทัยโดยตัวเองละเพราะว่าลักษณะของสมุทัยศาสตร์มันเป็นการเข้าไปยินดีหรือสิ่งนั้นมันน่ายินดีเนี่ยนะนี่คือสมุทัยศาสตร์เป็นอย่างนั้นจริงๆริงนะเพราะตัววิปปล่าทั้งหลายนะั่นแหละคือสมุทัยศาสตร์ นี่แต่ว่าสิ่งที่เราวิปลาสสิ่งที่เราเข้าไปยินดีหรือสิ่งนั้นน่ายินดีถึงจะน่ายินดีขนาดไหนมีโทษไหมมีโทษอันนั่นแหละเป็นการประกาศอาทีนวะหรืออาทีนวานุปัสนาหรือเป็นการประกาศทุกขสัตรพร้อมทั้งกิจเบ็ดเสร็จเนี่ยนะแล้วก็ตอนท้ายประกาศนิสรณนะเนี่ยนะว่าถ้าจะทำที่สุดแห่งทุกได้นะต้องถอนความยึดถือในสิ่งนั้นนะ ถ้าถอนความยึดถือได้ก็จะจะพ้นจากทุกเนี่ยนะนะก็คืออยู่ที่นิสรณะแต่ว่าจะนิสรณะได้ก็ต้องรู้อะไรรู้ผลรู้อุบายและอานัตว่าพระพุทธเจ้าท่านชี้นำอย่างไรทีนี้เมื่อรู้อส า, า ธ, ธาอาทีนวะนิสรณะผลอุบายอานัตอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็ถ้าจะวิจัยหาระวิจยะหาระก็เข้ามาวิจัยวิจัยว่านี้บท นี้เป็นคำถามนี้เป็นคำตอบนี้คำหน้านี้คำหลังของอะไรก็ของอสาศาธาอาทีนวะและนิสรณะอีกนั่นแหละก็เอาเอาเทสนาหาระนั่นแหละมามาวิจัยเนี่ย น, นะถามว่าการวิจัยทั้งหมดเพื่ออะไรก็เพื่อเห็นอริยศาสตร์อีกนั่นแหละทีนี้พอเมื่อเอาพระสูตรต่างๆมาวิจัยตามนั้นหมดแล้วก็หาข้อยุติ เรียกว่ายุติหาระใช่ไหมยุติแปลว่าเรียกว่าสมควรใช่ไหมสมความสมควรแต่ว่าถ้าถ้ารักษาสัพท์เดิมดูจะเข้าใจง่ายนะหาข้อยุตินะาหาข้อยุติได้แล้วอย่างเง้ยนะยุติข้อพิพาทอะไรเงี้ยนยุติเป็นดูจะใช้เป็นภาษาไทยไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเรารักษาภาษาไทยรักษาบาลีตามเดิมมากว่ า, วายุติทีนี้ยุติเนี่ยยุติแบ่งออกเป็นสองคือ พยัญนชนะยุติกับอัถยุติยุติทั้งโดยศัพท์กับโดยโดยศัพ์กับโดยอัฐยุติโดยศัพท์ของเราทั้งหลายไม่ใช่นักอวยากรณ์สายบาลีตรงๆก็ไม่ใช่ปัญหานั่นนะเพราะว่าคิดยังไงมันก็คิดไม่ออกเลแล้วนี่ก็มาดูโดยอัถทีนี้การที่เราะจะยุติเนี่ยนะต้นเหตุที่จะทําให้หาข้อยุติมาจากอะไร มาจากการอ้างอ้างเวลาอ้างเนี่ยนะเข้าอ้างอะไรกันข้อแรกอ้างพระพุทธเจ้าข้อสองอ้างพระสงฆ์ข้อสามอ้างพระเทระหลายรูปข้อสี่ก็อ้างเทระรูปเดียวตอนนี้ก็เพิ่มอีกก็อ้างอาจารย์จริงก็อาจารย์ก็นี่แหละพระเระน่แหละกลุ่มพระเทระนะพวกรัตนอยนะทีนี้ทุกคนอ้างกันหมดเลย ทุกคนมีที่อ้างกันหมดเลยคนนี้อ้างคำภีคนนี้อ้า ง, านน อ, างอาจารย์คนนี้อ้างกลุ่มคณะสงฆ์อ้างอะไรต่างๆเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องยุติล่ะเมื่อทุกคนก็อ้างกันทั้งหมดนะแปลว่าทุกคนสิทธิ์มีอาจารย์ทั้งหมดเลยเอาอะไรเป็นข้อยุติบอกว่าข้อยุติก็คืออ่านะจัดเข้าในพระสูตรแสดงไว้ในวินยัยใส่ไว้ในธรรมดาสูตรคืออะไรอริยสัจกันนะ ใครจะอ้างใครมาก็ตามเธอะไรเข้าหลักอริยสัจข้อไหนล่ะเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าหาข้อยุติโดยอัตตมันเข้าอริยสัจไหมอันนะที่ที่สํานวนว่าที่คุยกันมาทั้งหมดนี่มันเป็นอริยสัจข้อไหนล่ะเ น, นี่ยนะที่ถกกันอยู่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเป็นต้นเนี่ยนะหน้าดำหน้าแดงเนี่ยนะเกือบจะวางมวยอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่ธรรมะแล้วนะมันไม่เข้าอริยสัจหรอก นะนะถกกันมาทั้งหมดเออวงการธรรมะนี่มันจะคุยแล้วเย็นสบายไปหมดนะไม่ใช่เลยนะฟาร์มจะผ่าดีไม่ดีแถวๆนั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นเพราะมันไม่เข้าหลักอริยสัจนั่นแหละมันจึงเป็นอย่างนั้นแล้วแสดงไว้ในที่ไหนแสดงไว้ในวินัยว่าการพูดอริยสัจทั้งหมดนี้ก็เพื่อกําจัดราคะกําจัดโทสะกําจัดโมหะเพราะฉะนั้นเอาตรงนั้นเป็นข้อยุติว่า ที่เราอ้างนะทุกคนนี่อ้างครูบาอาจารย์อ้างอะไรมาก็ตามเธอแล้วมันระราคาโทสะโมหะได้ยังไงอันนี้คือเป็นเป็นเป็นข้อยุติที่ที่ผู้ศึกษาพระธรรมตั้งเอาไว้ในใจเลยนะนะที่เราสมมติอย่างวันนี้เลยเนะเรามาฟังธรรมนะลองสังเกตดูว่ามันเข้าอาริยสัจข้อไหนถ้าไม่เข้าตรงนั้นไม่ใช่ธรรมะข้อสองแสดงในวินัยอะไร ถ้าอย่างให้มันละราคะได้ยังไงละโทสะได้ยังไงละโมหะได้ยังไงอันนี้เป็นเครื่องวัดอีกอย่างหนึ่งข้อยุติอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าแสดงไว้ในวินยัยและใส่ไว้ในธรรมดามันเข้าปฏิจจสมุปบาทอะไรปฏิจจสมุปบาทเป็นวัยพจน์เป็นเววจนะของปัจจัยถ้ากล่าวปัจจัยที่ไหนกล่าวปฏิจจสมุปบาทที่ไหนก็เท่ากับแสดง ปัจโยบันหรือปฏิจจสมุปปณธรรมแล้วเนี่ยนะนะเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยทั้งหลายให้ผลเป็นปัจจยุบันถ้ากล่าวปัจจัยกับปัจโยบันแล้วเท่ากับกล่าวอะไรแล้วสมุทยาวาระเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะนะกล่าวถึงเหตุความเกิดพร้อมทั้งเหตุที่ทําให้เกิดถ้ากล่าวเหตุเกิดเท่ากับกล่าววัตะเท่ากับกล่าววัตตะ ทนพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเพื่อดับวตตะนะถ้าดับวัตตะก็ดับปฏิจจสมุปบาทถ้าดับปฏิจจสมุปบาทได้ปฏิจจสมุปปณะธรรมคือทุกทั้งหลายก็เป็นอันดับไปเนี่ยนะเพั้นเขาเราียกว่าเอามาใส่ไว้ลงในธรรมดาว่าง่ายๆว่าดับวัตทุกข์ได้ไหมเนี่ยนะที่ที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะที่ฟังที่ศึกษาที่ปฏิบตัติโอ้เอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาเอาเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนียนะนะนะถามว่ามันดับวัตถุทุกได้ยังไง อันนี้แหละเป็นข้อยุติธรรมดาธรรมดาถ้าหาข้อยุติเหล่านี้ไม่ได้มันเหมือนกับคนเดินทางที่ไม่มีเป้าหมายไม่รู้จบลงที่ไหนเนี่ยนะไปเนี่ยนะไปเรื่อยเพิ่มป่าชาไปทุกชาติทุกชาติทุกชาติาตไปกลับหนึ่งเท่าไรละกับหนึ่งก็กระดูกกองโตกว่าเขาเวปุระบรรทศแล้วน้ำตาทุกกลับทุกกลับถ้าเก็บไว้หละก็นาบมากกว่าน้า ม, มาหาสมุทรเนี่ยนะฮะ หาข้อยุติให้ได้นะในการศึกษาพระธรรมเพราะฉะนั้นในในหลักการอันนี้ทำให้เราตรวจสอบถึงสิ่งที่เราปฏิบัติได้เลยแม้แต่การปฏิบัติของเราก็เหมือนกันเราปฏิบัติอยู่นะสิ่งที่เรากาลังเจริญอะ่ะเช่นใครจะไปกำหนดกรรมฐานอะไรอยู่ก็ช่างเถอะที่ที่กรรมฐานที่ตัวเองมั่นใจวันนี้แหละชัวปา้าดเอะแน่นอนก็มาวัดดูว่าเออนี่มันเข้าอริยศัสอะไรล่ะมันกจาจัดกิเลสอะไรได้บ้างเนี่ย แล้วมันรู้อริยศาสตร์ข้อไหนมันละรู้ปฏิจะสมุปบาทรู้เหตุเกิดรู้ความดับมันพ้นจากทุกเลยยังไงถ้าถามคําถามอันนี้แล้วตอบไม่ได้ไปถามอาจารย์ถ้าอาจารย์ตอบไม่ได้อย่าไปอยู่เลยสํานักนั้นนี่นะบอกว่ากลับไปโน่นไปหาซื้อขนมเที่ยวเล่นดูดอกไม้ยังจะ บ, บาปน้อยกว่าเลยนี่นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าลงลึกไปกว่านั้นนี่นะคืออะไรก็คือมิจฉาทิฏฐิดีๆนี่แหละจะมีอะไรเนี่นะ ก็แต่ว่าข้อปฏิบัติทุกอย่างนะถ้าปฏิบัติผิดเฝ้าขันท่าต่อไปเนี่ยนะก็คือคือมันเหมือนกับเอาพระยาท่าอุปมานะเหมือนทุกคนบอกว่าฉันเบื่อแล้วเกินไอแผ่นดินเนี่ยนะฉันไม่อยากอาศัยแผ่นดินอยู่ล้วหาลองทุกคนหาวิธีพ้นจากแผ่นดินดูสิคิดสูตรยังไงหาพ้นแผ่นดินกระโดดกระโดดํามข้างเนี่ยนะเฝ้าแผ่นดินอะไรี้กระโดดไม่ขึ้นแล้วนะ าหาวิธีออกจากแผ่นดินเดียวจะใครหาวิธีออกได้บ้างเออบอกเบื่อเลิกเป็นแผ่นดิ น, นเนี่ยที่ไหนก็ไม่อยู่แล้วแผ่นดินเนี่ยทำไงดีเอะเหาะเลยชานเสริมก็ร่วง <c ười> นะขึ้นเครื่องเครื่องตกก็แย่อ้ขึ้นเครื่องะ <c ười> นะองนนะนั่งอยู่บนเครื่องก็นกั่งอยู่บนแผ่นดินอีกนั่นแหละเออทำอยังไงให้มันพ้นแผ่นดิน จริงๆอะนะว่าให้ตรงๆเลยอะการเจริญวิปัสนาคือหาทางให้มันพ้นแผ่นดินนั่นเองแต่ถ้าเป็นของเราเลยนะถ้าเป็นคิดแบบคิดแบบฉลาด น, น้อยๆแบบเราทั้งหลายบอกว่าไปหาวิธีให้มันพ้นแผ่นดินซะก็จะเอาตัวแผ่นดินนี่แหละเพื่อให้มันพ้นแผ่นดินใช่ไหมเราก็จะคิดกันแบบนี้ง่ายๆอย่างนี้เออเอาตัวแผ่นดินตัวนี้แหละให้มันพ้นแผ่นดินไม่มีใครทําได้อ่านนะ แต่ถ้าพระพุทธเจ้าคิดท่านคิดว่าทํายังไงจะไม่ปฏิสนธิโดยอาศัยแผ่นดินอีกต่อไปท่านจะคิดอย่างนั้นท่านจะไม่คิดแบบเราอ่ะนะคิดแบบเราก็จะนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ยกเก้าอี้ขึ้นนะยังไงมันก็ยกไม่ไหวหรอกอนะผันใครที่จะออกจากวัตทุทุกมันออกโดยการปฏิสนธิเนี่ยนะหมายความว่าทํายังไงจะไม่ปฏิสนธิโดยอาศัยธาตุดินอีกแล้วปฏิสนธิจากในธาตุดินมาจากไหน สาวไปเนี่ยเมาจากกรรมกรรมใช่ไหมกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินทําให้ปฏิสนธิโดยอาศัยแผ่นดินอ่าโดยที่สุดแมก้กระทั่งทานศีลทั้งหลายที่ทำทำนะมีอะไรพ้นแผ่นดินมีไหมอาศัยแผ่นดินหมดเลยโอ้เก่งมากเจริญสมถะได้เจริญกษินได้เจริญอภ ป, ปัญญาได้เจริญอะไรได้นะเบื้องหลังของสิ่งที่เราเจริญทั้งหมดแผ่นดิน คนที่จะออกแผ่นดินโดยปฏิสนธิคือได้อารูปฌานเขาจึงเรียกว่าละรูปประสัญญาละรูะปประสัญญานานัตตสัญญาละละปฏิฆาสัญญาไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาเข้าอากาสรสัญญายตนะเป็นต้นนะ่ยนะขนาดนั้นมันจึงจะหลุดจากแผ่นดินได้จริงแต่ได้ชั่วคราวเนี่ยนะด้วยด้วยอำนาจของสมาบัติทีนี้ถ้าหาละแบบธรรมดาละได้งไง ก็ในมหานิเทศท่านบอกว่าละโดยยาตะปริญญาเนี่ยนะนะออกจากมหาพูดโดยยาตะปริญญาตีระปริญญาและปะหานะปริญญาถ้าว่าโดยสรุปนะคนที่ตัดฉันธราคะในมหาพูดได้ในดินได้นะั่นแหละคนนั้นออกจากธาตุดินได้อย่างแท้จริงก็แปลว่าทิ้งดินอันนี้ก็ไม่ถือเอาดินอันใหม่อีกต่อไปเนี่ยนะอ่ะตรงนี้เป็นเป็นข้อยุติธรรมดาธรรมดาในการปฏิบัติด้วยซ้ำไป เนี่ยนะถ้าถ้าเราจะปฏิบัตินะโอ้โหดูไปเข้ากรรมฐานสงบนิ่งเลยนะเงียบเลยนะไม่ใช่หลับไปเลยนะเอาแบบนิ่งเลยนะเออแล้วมันพนทาดดินได้ยังไงอ่านะพวกนี้ต้องต้องเป็นหลักการเอาไว้ตรวจสอบนะถ้าไม่มีความรู้วิชาการหลักการเหล่านี้เอาไว้ตรวจสอบอ่านะเราเชื่อไหมว่าห่างพระพุทธศาสนาไปนานแล้วเนี่ยนะ เรากำลังเจริญมรรคของเราอยู่นะไม่ใช่มรรคพระพุทธเจ้าถ้ามรรคพระพุทธเจ้านี่มรรคมีองค์แปดถ้ามรรคของเรามรรคสบายๆไงมรรคว่าเออมรรคง่ายๆสะดวกสะดวกนั้นสำคัญมากเลยนะว่าพวกนี้เอาไว้ตรวจสอบนะเอาไว้ยุติทั้งทั้งการศึกษาด้วยทั้งการสนทนาด้วยทั้งการปฏิบัติของเราเองด้วยว่าเป็นไปตามหลักนี้ไหมถ้าไม่เป็นให้พิจารณาตัวเองได้แล้วนะนะ ในี้ในข้อ19หน้า31หน้า32นะในข้อ19 20เนี่ยนะทั้งสองข้อนี้เป็นการยกตัวอย่างในการหาข้อยุติโดยโดยสับกับโดยอัฏฐะซึ่งใจความก็คือแสดงไปแล้วก็จัดลงในพระสูตรคืออริยสัจสี่แสดงในวินัยคือกำจัดรราคะโทสะและโมหะ ใส่ไว้ในธรรมดาคือปฏิจจสมุปาฏิจจสมุปมปนาธรรมนะนะอันนี้เนื้อหาโดยสรุปเป็นอย่างนี้ น, นี่มาเข้าเรื่องใหม่แล้วนะอันนี้ถ้าว่าให้ฟังแล้วก็สรุปสรุปครั้งที่แล้ว น, นะมาดูข้อยี่สิบเอ็ดหน้าสามสิบสามแก้แก้คาว่านิพพทาแล้วใช่ไหมแก้แล้วนะไม่ใช่นิพพานนะเป็นนิพพทา ข้อ21่อนะว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งปวงมีกรรมตันหาเป็นปัจจัยและมีสังขารเป็นเหตุความเป็นอย่างนี้สมย่อมควร น, นะถ้าอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะว่าวัตทุกข์ทั้งหลายมีตันหาเป็นปัจจัยเป็นสมุทัยเนี่ยนะสังขาร น, นี่แหละคือกรรมนั่นแหละเป็นเหตุคาว่าทุกข์ในที่นี้หมายถึงทุกข์ในวัตตะหรือวัตทุ วัตถทุก์ทั้งหลายที่เป็นไปอยู่อย่างนี้เนี่ยนะที่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดก็มีกรรมมตัญหาก็หมายถึงตัญหามีสังขารสังขารก็คือกรรมเพราะฉะนั้นตัญหากับกรรมนั่นแหลทําให้ให้ทุกเป็นไปในวัตถะไม่มีจบมีสิน้นส่วนความเกิดขึ้นแห่งนิพพิทานิพพิทาก็หมายถึงวิปัสสนาชั้นสูงอะนะนิพพิทานุปัสสนาแบบที่เราเรียนปฏิสัมพิธาภาคบ่ายอะ นนะความเบื่อหน่ายในขันธาตุอายตนะมหาพูดเป็นต้นเนี่ยความเบื่อหน่ายทั้งปวงเหล่านั้นเนี่ยถ้าบอกว่าวัตถุกรรมเวทล้อมเนี่ยอันนี้พูดผิดแน่นอนหมายความว่าบริโภคกรรมให้มากๆแล้วจะเบื่อหน่ายเองอันนี้ไม่ใช่นะนิพพานไม่ได้เกิดจากการหมกมุ่นในกามเนี่ยนะเพราะเพราะอะไเพราะนิพพาเกิดจากอะไรนิพพาเกิดจากอะไรข้อยุตินิพพาเกิดจากอนุปัสนาสาม เกิดจากอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาที่บริบูรณ์นิพิทาจึงจะเกิดขึ้นแล้วอนิจจานุปัสสนาทุกขานัตตานุปัสสนาเกิดจากไหนเกิดจากยถาภูตยานัทสนะการรู้เห็นตามเป็นจริงการรู้เห็นตามเป็นจริงเกิดจากไหนเกิดจากจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเกิดจากไหนย่อเกิดจากศีลศีลเกิดจากไหนโยนิโสโยนิโสเกิดจากไหน ศรัทธาศรัทธามาจากไหนฟังอย่างบริบูรณ์ฟังมาจากไหนก็สรรนาเราดีนั่นเองอันว่าโดยสรุปนะนิพพานุปัสสนาเป็นต้นไม่ได้เกิดจากการหมกมุ่นในการมแต่เกิดจากอนุปัสสนาทั้งหลายทีนี้เป็นการหาข้อยุติอย่างอื่นอีกนะไอ้สมดังพวกนี้เป็นลักษณะของอนุคีติ อนุคีติ น, นะก็เรียกว่าหาหาความสมควรเนี่ยนะก็ยกตัวอย่างว่าดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอสุภะแก่บุคคลผู้เป็นราคาจริตเทศนานั้นย่อมสมควรอันนี้นี่ก็ยุติถูกต้องอ น, นะนีแสดงเมตตาแก่บุคคลผู้เป็นโทสะจริตอันนี้ก็สมควรเรียกว่าอันนี้ยุติได้แสดงปฏิจจสมุบาทแก่บุคคลผู้เป็นโมหจริต อันนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่าถูกต้องถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพิ่งแสดงเมตตาเจโตวิมุตตแก่บุคคลผู้เป็นราคะจริตหรือแสดงสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาหรือสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาหรือปหานะมีวิปัสสนานนำหน้าเทศนานั้นย่อมไม่สมควรเพราะไม่เป็นสปายะ การคล้อยตามแห่งการละราคะการคล้อยตามแห่งการละโทสะการคล้อยตามแห่งการละโมหะทั้งสิ้นย่อมมีโดยในดังกล่าวมานี้ควรพิจารณาคำทั้งปวงด้วยวิจยะาหาระแล้วประกอบด้วยยุติหาระหมายคาอว่าสิ่งไหนที่เราศึกษานะเอาวิจยาาะหราเนี่ยมาวิจัยดูก่อนแล้วหาข้อยุติเนี่ยนะตามยุติหระ ยุติหาระย่อมเป็นประมาณเท่ากับอารมณ์ของปัญญานีย น, นะย้อนมาทบทวนอีกครั้งนึงว่าพระองค์แสดงอสุภะแก่ผู้ที่เป็นราคาจริตพวกราคาจริตเนี่ยน ะ, ะความทุกข์ของคนราคาจริตเป็นยังไง ร, ราราฆาจริตนี่มันก็ทุกข์นะทุกข์ยังไงทุกข์ของเขาคือวิปโยคทุกข์คือคือคนที่ติดข้องอะไรอาวรกับสิ่งใดเนี่ยนะ ถ้าเขารู้ว่าเขาต้องจากสิ่งนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งของเขาราคะจริตนี่วิปโยคทุกข์ถ้าใครสังเกตดูนะว่าตัวเองนี่ไม่ค่อยจากอะไรมาก็ไม่ค่อยคิดถึงไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเลยนะกลุ่มนี้ไม่ใช่ราคะจริตนะเพราะราคะจริตนะวิปโยคทุกข์จากหน่อยโอ้จะเป็นจะเกือบเป็นเกือบนั่นแหละใกล้ๆ น, น, นะ่นแหละ จะจากอะไรสักหน่อยหนึ่งนะอู้อะไรเอาบอลแล้ห้หอยหายเจ็วันก็ยังไม่เลิกราเนี่ยนะบนถึงอยู่นั่นแหละพร่ำถึงอยู่นั่นแหละกลุ่มนี้ให้รู้เถอะว่านั่นเป็นราคะเจริญเพราะราคะเจริญนั้นวิปรโยคทุกทีนี้วิธีที่จะแก้ไม่ให้เขาไปเสียใจกับการจากนั้นอนะทำยังไงก็บอกไอ้สิ่งที่คุณคิดถึงจริงๆไม่ได้ดีจริงอย่างที่คุณคิดหรอกก็คือประกาศความชั่วร้ายของสิ่งที่ติดข้องนั่นแหละอะไรบ้างละ่ะ น, นะเช่นสมมติว่าที่เรียกว่าติดข้องในที่เรียกว่าคนสัตว์ทั้งหลายแหละเนี่ยนะว่าโอ้โหจากกันสามวันนี่ก็คุกคิดถึงแทบตายเลยเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เราคิดถึงจริงๆคิดถึงอะไรเราคิดถึงผมคนเล็บฟันนัง น, นะเขาตัดผมส่งมาให้เอาไหมมีเนะี่ยอย่างผู้การเล่าอยอาศนีกรอบไว้เลยอนะตัดผมส่งมาให้ใส่กรอบไว้เลยนะไม่ใช่ผู้การนะครัเพื่อนผู้การ บางคนไม่ขนาดนั้นนะเออแต่ผมอาจจะได้นะตัดเล็บส่งมาให้เลยนะไม่เอาเลยนะแล้วถามว่าถอนฟันเอามาให้ล่ะยิ่งไม่เอาใหญ่เลยนะที่เราติดข้องเนี่ยนะเพราะว่าเราคิดในแง่อสาทธะตลอดคือเราเรามองว่าสิ่งนั้นนั้นน่ายินดีมากแต่ถ้าคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่จริงเป็นของมีโทษนะเราจะละห้อยหาอาววรไหมกับกับสิ่งนั้นเนี่ยก็เราจะไม่ละห้อยหากับสิ่งนั้นเลยอ่ะเนี่ยนะเพราะในตรงนี้ที่เราต้องฝึกฝึกเจริญไงว่าสิ่งนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่มีโทษเนี่ยนะนะคือคือตามเห็นโทษของของทั้งสัตว์และสังขารเพราะว่าอาสุภะก็คือการตามเห็นโทษของสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเนี่ยนะนะอย่าง อย่างที่กล่าวว่าอย่างบุคคลทั้งหลายที่เราคิดถึงเนี่ยเราคิดถึงอะไรถ้าว่าอย่างเมื่อกี้ว่าก็คิดถึงผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยถ้าว่าตามความเป็นจริงของผมคนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยอย่างละเอียดจนอย่างรอบครอบหมดนะความอาลัยอาวร์ในสิ่งนั้นจะมีไหมก็ไม่มีเทนี้ในสังขารบัางเราก็มาคิดดูว่าสิ่งนั้นๆที่เราติดข้องนะมันมีโทษหมดเลยอย่าง รถที่เราติดข้องนะถ้ารถนั้นมันแปลสภาพอื่นนะปกติรถมันสี่เหลี่ยมนะถ้ามันเป็นแปดเหลี่ยมเราก็เดือดร้อนอีกแล้วนี่นะปกติถ้ามันดีนะถ้ามันบุกจะเป็นยังไงนี่นะแล้วถามว่ารถมันเหล่านั้นนั้นเป็นต้นเนี่ยมันบุกได้ไหมก็บุบได้ทีนี้เมื่อเราตามเห็นโทษของสิ่งที่เราติดเราข้องเนี่ยนะแล้วก็อีกคิดอีกคิฟกคิอีกในหนึ่งนะบอกถ้าติดข้องในบ้านมากเลยนะ เอาไหมล่ะเป็นคตินิมิตเอาบ้านเป็นคตินิมิตเอาไหมไม่เอาเนี่ยนะติดข้องในที่ทำงานมากเอาไม่ถ้าเป็นคตินิมิตไม่เอาเนี่ยนะแล้วมันดีตรงไหนแล้วทำไมคิดถึงออย่างเงี้ยนเะนี่ยนะคือเพราะเราไม่ได้เห็นโทษของสิ่งนั้นเมื่อไม่เห็นโทษเราจึงจึงคิดถึงท่านอสุภะ ค, คือการตามเห็นโทษในสิ่งที่เราเราติดเราข้อง การแสดงอสุภะแก่ผู้ที่ราคะจริตเนี่ยจึงสมควรและถูกต้องแล้วเพราะว่าเป็นไปเพื่อกำจัด น, นะเป็นราคะวินัยนะการแสดงอสุภะแก่พวกราคะจริตนี้เป็นราคะวินยัยอันนี้เป็นข้อยุตินี่มาดูโทสะจริตนะโทสะจริตก็มีทุกอย่างหนึ่งของโทสะจริตพวกโทสะจริตนะเมื่อกี้บอกว่าราคะจริตวิปโยคทุกเ่ยไ โทสะจริตสัมปโยฆะทุกโทสะจริตนะถ้าได้จากนะไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกนะโทสะจริตนะถ้าถ้าจากแล้วก็แล้วกันไปก็ไม่ไม่ต้องเสียใจอะไรแต่ถ้าต้องเห็นต้องได้ยินต้องอะไรเป็นต้นนะพวกนี้จะเดือดร้อนมากนะพวกนี้จะทุกข์ร้อนมากมันอันนี้พวกโทสะจริตนั้นเป็นสัมปโยคทุกนะถ้าไม่เห็นก็แล้วกันไปไม่มีอะไรแต่ถ้าต้องเห็นเนี่ยเดือดร้อนอ่ะต้องเห็นต้องได้ยินต้องเนี่ย ทีนี้วิธีทํำยังไงอ่ะก็เจริญเมตตาจึงจะเหมาะกับพวกโทสะจริตเนี่ยนะเขบอกว่าถ้าไฟลุกทําไงโอ้ดับเอาน้ํามาดับไฟสิมีในที่อื่นกล่าวว่ากรรมฐานทุกกรรมฐานเนี่ยนะดับโทสะได้ทุกกรรมฐานแต่กรรมฐานที่ดับโทสะได้ชงัดจริงๆเปรียบเหมือนน้าดับไฟคือเมตตาแต่ก็ดับยากนะถ้าน้ําน้อยเนี่ยไฟไม่ดับแล้วนะ เมตตาเนี่ยนะเขาบอกว่าความคิดเกี่ยว่าเมตตาเนี่ยลักษณะของเข้าง่ายๆคือการคิดน้อมเอาประโยชน์ไปให้เขาอะเนี่ยนะปกติเนี่ยเราเราชิงชังกับสิ่งนั้นใช่ไหมเราไม่ต้องการให้ประโยชน์เขาแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าโทสะกับปัญญานี่มันคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะคล้ายกันยังไงโทสะนี้เห็นโทษที่ไม่เป็นจริงโทสะเห็นโทษแต่ว่าโทษนั้นไม่จริงหรอก แต่ถ้าปัญญาเห็นโทษตามเป็นจริงตอนนั้นก็บอกว่าบางทีนะโทสะมันจะใกล้ๆปัญญาอยู่เหมือนกันนิย้อนมาว่าเมตตานั้นอะ่ะคือการคิดน้อมเอาประโยชน์เข้าไปให้นี่นะเช่นคิดให้เขามีความสุขเนี่ยนะถ้าเขาทุกข์อยู่แล้วคิดให้เขามีความสุขอันนั้เป็นเป็นเนมตตาอย่างคิดง่ายๆก็ฝึกคิดถ้าฝึกคิดเจริญเมตตานะ อย่างเราเข้ามาในห้องเรียนปกติก็ถือว่าเป็ น, ปนสถานที่ที่ควรเจริญเมตตาแล้วละ่ะว่างั้นขอให้ทุกคนที่ศึกษาพระธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานนะเนี่ยคิดแบบนี้น่าจะดีใช่ไหมอันที่จริงนี่ก็คือการฝึกเจริญเมตตา ขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะขอให้มีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้านะขอให้ทุกคนมีศรัทธาที่มั่นคงในพระธรรมในพระสงฆ์นะขอให้ทุกคนภาคเพียรในการเจริญปฏิบัติขอให้ทุกคนมีสติและลึกถึงคําสอนได้เป็นอย่างดีขอให้สงบตั้งมั่นให้รู้อริยสัจกันทุกคนนะอย่างเงี้ยไอการเนาะไปคิดแบบนี้แหละเป็นการเจริญเมตตาเมตตานั้นตอนแรกเขาไม่ได้ให้สอนให้ไปเจริญให้ศัตรูเลยหรอก เขาเจริญให้แก่คนที่เคารพก่อนที่ที่น่านับถืออ่ะนะสำนวนว่าเจริญให้คนดีก่อนอย่าเพิ่งไปเจริญให้คนที่เลวในความคิดเราเนี่ยนะก็จริงๆเขาอาจจะดีก็ได้นะแต่มันชั่วแล้วเกินในความคิดเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเจริญแบบนั้นก่อนให้เจริญไปให้คนดีคนที่เราเคารพก่อนอ่ะนะคนที่เราให้เกียรติเขาอะ่ะ เราก็เจริญขอให้ทุกคนมีความสุขให้มีความเจริญอย่ามีความ อ, อย่าได้มีเวรอย่าได้มีภยัยอย่าได้มีความเบียดเบียนเลยนะให้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไปได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันทุกคนนะถ้ามีความคิดอย่างนี้บ่อยๆเราก็เมตตานี่ก็เห็นชัดเราก็ลองแย่่ๆไปเจริญกับคนที่เราไม่ค่อยมีเมตตากับเขาเนี่ยนะขอให้มีความสุขนะถ้าเจริญไปหน่อยแล้วจิตมันชักหดแล้วก็กลับมาเจริญตามเดิมอีกอะนะ ก็ย้ำไปอย่างงี้บ่อยๆบ่อยๆเข้าเามีวิธีค่อยเเรียกว่าค่อยเบนนักษณะเนียแล้วก็ค่อยจัดค่อยๆฉินเองแล้วก็จะเริ่มเจริญเมตตาที่บริสุทธิ์ใจได้เมตตานี้เกิดร่วมกับจิตเนี่ยนะที่เจริญนี่เจริญภายในนะไม่ใช่จะให้คนเจริญเมตตาไม่ได้แปลว่าขอให้ทุกคนมีเมตตาต่อข้าพเจ้าไม่ใช่การเจริญเมตตาคือขอให้ข้าพเจ้ามีเมตตากับทุกคน อะไรก็ตามถ้ามีการป้องกันเนี่ยเป็นความเป็นความดีนะคือการคิดป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ฉลาดใช่หมสมมติว่าเรารู้ว่าวันนี้เราไปเนี่ยฝนจะตกเราก็เตรียมอะไรที่มันกันฝนไว้ก่อนเนี่ยถือว่าดีใช่ไหมถ้ารู้ว่าไปเนี่ยร้อนแน่นอนแล้วเราเตรียมป้องกันความร้อนด้วยใช้เช่นใช้ร่มใช้อะไรอย่างใดที่เตรียมป้องกันความร้อนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความฉลาดของบุคคลนั้นฉันใด เรารู้ว่าการจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆชวนให้โกรธง่ายเราก็ตั้งจิตเอาไว้ก่อนเพื่อจะมีเมตตาเช่นเช่นเราจะไปคุยกับคนบางคนเนี่ยนะเรารู้ว่างานนี้เราโทสะเนี่ยนะโดยโดยเนื้อหาที่คุยกันเนี่ยนะเรื่องนี้มันเรื่องกวนโทสะทั้งนั้นเลยนะเป็นกลุ่มปฏิฆานิมิตอยู่อันนี้ต้องสมาทานไว้เลยเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดสมาทานที่จะประพฤติให้เป็นวจีสุจริต แล้วก็พูดยังไงเราต้องไม่ทําลายประโยชน์เราต้องไม่ทําลายประโยชน์เขาอันนี้ก็เริ่มประคับประคองให้มีเมตตา ม, มากขึ้นมากขึ้นท่้นการตั้งเอาไว้ก่อนนะั่นถือเป็น เ, เป็นสติสังวรเป็นอินทรีย์สังวรผู้ที่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะกล่าวตามดีกาวิวสุทธิมัคเนี่ยศีลมายายา น, นิเทศนั้นอนะ่ะอินทรีย์สังวรคือการตั้งสติเอาไว้ก่อนที่จะเห็นพอไปเห็นแล้วจึงมีสติใช่ไหม หรือเขาเรียกว่าเป็นพวกเก่งมากเลยนะลืมตาปั๊บสติสัมปชัญญะเป๊ะเลยอย่างนั้นไหมไม่เป็นง่ายๆหรอกพวกเริ่มต้นทั้งหลายพวกเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเริ่มสมาทานเอาไว้ก่อนนะนะอย่างว่าโดยธรรมดาธรรมดาง่ายๆทั่วๆไปเนี่ยนะเราขับรถบนท้องถนนโดยเหตุผลธรรมดาเรารู้ใช่ไหมว่าเราจะต้องเห็นอะไรก็รถบนถนนนั่นแหละว่าง่ายๆนะก็เห็นรถบนถนนนะ่ยแล้วจะคิดยังไงกับรถบนถนน อันนี้แหละคือการฝึกที่จะให้มีอินทรีย์สังวรเจริญสติสัมปชัญญะเอาไว้ก่อนพอไปถึงตรงนั้นแล้วมันจะคิดตามที่ได้ตั้งใจไว้ที่จะคิดนะมียอมคนหนึ่งเขาจำได้ปีนั้นจะไปต่างประเทศด้วยกันแกก็ไปเดินข้ามถนนมอเตอร์ไซค์ก็มาชนกระดูกซี่โครงหักไปสองสามสี่ ก็เลยบอกหานมอโมเตอร์ไซค์จะไปเอาอะไรกับโมเตอร์ไซค์บอกไปไปเข้า็เลยไปนอนซ่อมโรงพยาบาลเลยไม่ได้ไปต่างประเทศด้วยกันนะนะก็บอกดีแล้วที่ไม่ไปโกรธเข้าไม่แปรอะไรเข้าอนะก็ก็เขาก็เป็นคนที่ศึกษาธรรมะนะถ้าไม่ศึกษาธรรมะนี่ก็เสี้ยโครงก็หักตั้งหลายซี้นะโทสะเจตสิกก็เกิดเอาเกิดเอาเลยแหละนะนะอันนี้ก็ดีเพราะว่าเขาก็ไปสงสารคนที่ขับรถนะ คือจริงๆเขาก็จะมีความทุกข์ขนาดไหนเนี่ยที่ที่เขามีความผิดอ่ะ น, นะทั้นถ้าเรารู้จักคิดเนี่ยนะแก้ปัญหาได้เยอะเนี่ยนะ